เจ้าเจ้าอย่างนี้ร้อยพระคุณเจ้ารวมทั้งลูกเนนรวมทั้งแม่ชีรวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาที่มารักษาศีลมาประพฤติดีปฏิบัติชอบ ชาอย่างนี้จระกาดว่านักปฏิบัติทั้งหลายต้องมีความตั้งจิตตั้งใจที่จะบำเพ็ญเพียรกุศลให้เกิดขึ้นตั้งจิตใต้สำนึกจะ ไ, ได้ติดตัวไปในในวาระโอกาสที่เราจะได้ จิตได้สำนึกเป็นทรัพย์ภายในของ ข, ของทุกๆ ท, ท่านทำไมหลวงพ่อพูดแบบนี้การฝึกสมาธิของนักปฏิบัติทั้งหลายระดับต้นๆจะต้องมีสติสติก็คือความรู้ตัว ในขณะนี้ท่านทั้งหลายต้องมีสติรู้ตัวว่าเรากําลังตั้งสติมีความรู้ตัวว่าอยู่ในองค์ภาวนาในขณะนี้ ใ, นใจเข้าพุทธพุทธแปลว่าผู้รู้ตอนนี้เราก็รู้ตัวแล้วว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ แปลว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานคนที่มีสติรู้ตัวและรับรู้ในอารมณ์ของความเป็นเบิกบานเบนในขณะนี้ก็ยิ้มเขา้าไว้เมื่อเรายิ้มเข้าเข้าไปในความรู้สึกก็คือใจใจเรานั้นมีแต่ความขุ่นัว แต่ความฟุ้งซ่านมีความแต่ปลังเลสงสัยอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะมานะทิติถือตัวถือตนอึงผูกพยาบาทอาฆาตก็คือความโกรธก็คือโทสะนั่นเองอจึงแข็งกระด้างเพราะว่าเราขาดสติคือความรู้ตัวว่า โกรธแล้วก็ไม่ได้อะไรียดชังก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าสิ่งที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราได้นั้นความโกรธนั้นจะทำให้ลมหายใจก็คือหัวใจก็คือจิตของเรานั่นเองแปรปรวนตามอารมณ์บางคนถึงเหงื่อออกบางคนถึงก็ร้องไห้ บางคนถึงก็เกรงสั่นเพราะความโกรธความเกลียดความชังเมือสภาวะมันผูุกมัดม็นถุกกดขี่กดดันในขณะนั้นสภาพของร่างกายก็หลังสารที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมันก็หลังสารที่ไม่ดีออกมาบางคนขี้โกรธขี้ชังเนี่ย มักจะมีอาการปวดท้องเจ็บท้องปวดท้องเพราะว่าร่างกายมันหลังในขณะท้องเนี่ยกระเพาะก็เป็นแผลคนที่กดที่จังคนที่กดเมื่อท้องเจ็บไม่พอมันก็มาเจ็บที่ใจเขาไปอีก หัวใจของเราเนี่ยเคยเต้นปกติเป็นระยะที่สม่าเสมอใจของเราก็เต้นผิดปกติเพระคนโกรธเมื่อโกรธในหัวใจเนี่ยเหมือนจะเต้นแรงแล้วก็บีบมีความกดดันสภาวะกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยก็เริ่มหลั่หายเคืองเหมือนกับเรา ละคายเครืองคอเ่อกล้ามหัวใจนี่มันมีการบีบคั้นรัดปุกกดดันกล้ามเนื้อก็จะทำงานผิดปกติก็คือทำงานมากการเต้นของหัวใจก็เยวหนักบ้างเบาบ้างมันส่งผลถึงร่างกายกล้ามเนื้อทุกสังทุกชิ้นในร่างกาย เป็นกระดูกของร่างกายเหล่านั้นเริ่มแปรปวนสภาพที่เคยทำงานเป็นจังหวะเป็นระบบของมันอยู่ที่เป็นการสอนให้รู้ว่าการโกรธเนี่ยมันเป็นโทษอย่างมหานในอันดับต้นๆของกายกรรมเราอาจจะไม่เคย ในฟังมาก่อนจากการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสำนักไหนก็ตามมักจะมองความเป็นสติสติก็คือความรู้ตัวอูรู้ไม่หมดในตัวตนของตัวเองปัญญาก็คือความรอบรู้ในกองสังขารคนที่มีสติแต่กล้า คนที่มีปัญญาอันบริสุทธิ์ที่คุณเนี่ยจะพิจารณาตัวเองจะมองไม่ห่างไกลจากตัวเองจะมองเห็นเล็บเท้าเล็บมือของตัวเองอยู่เสมอทําไมองค์พ่อจึงบอกว่ามองเห็นเล็บเท้าเล็บมืออยู่เสมอ เล็บเท้าก็หมายถึงว่าเดินไปตรงไหนเนี่ยก็จะมีสติรู้ตัวว่าไปเพื่ออะไรไปแล้วได้ประโยชน์หรือว่าเกิดโทษในการเดินทางในครั้งนี้คนที่มีสติรู้ตัวและมีปัญญาควบคุมเนี่ยปฏิปัญญาเนี่ยมันเป็นของคู่กันาำรับนักปฏิบัติทั้งหลาย นักปฏิบัติทั้งหลายนั้นอาจไม่เข้าใจกายกรรมของตัวเองก็มักจะโทษว่าคงจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้เยอะเพซหมอดูหมอเดาก็บอกว่าคงมีกรรมกับงูบ้างกับวัวกับฝายบ้างมีกรรมกับสัตว์ต่างๆ เขาพูดในเราเชื่อเลยติดรู้สึกสั่นกลัวรู้สึกว่ามันเป็นความจริงแต่ความจริงแล้วเราต้องรู้ตัวเราเองนักปฏิบัติทั้งหลายความโกรธเนี่ยมันทำให้หัวใจเนี่ยเต้นผิดปกติความดันโลหิตเนี่ยก็คือเลือดลมทั้งหลายในร่างกายเนี่ยมันแปรปวนตลอดเวลา เราปรุงอาหารเราปาารางาปุงอาหารทางตางงเนี่ยกับปรุงอาหารทางหม้อทางโรงครัวเนี่ยครัวนี้ก็มีหลายรสนะเป็นแม่ครัวเนี่ยก็มีสูตรต่างๆเปรี้ยวหวานมันเค็มแกงจืดแกงเผ็ดปัดกระเพรา สารพัดอาหารที่จะมาปรุงแต่งตักเนื้อสัตว์ต่างๆเราไม่ต้องถึงรู้ว่าตัดอะไรเนี่ยมันตายเพราะอะไรมันเกิดมาจึงมาเป็นสัตว์แบบนี้เราไม่จิตได้สำนึกถึงตัวเราในขณะ น, นี้ที่ลงังนั่งปฏิบัติอยู่ว่าโอ๋โนโอความโกรธเนี่ยมันเป็นโทษต่อร่างกาย กระดูกเนี่ยมันเคยผลิตเลือดออกมาแต่กระดูกในเวลาเราโกดเนี่ยมันจะสั่นเพราะว่ากล้ามเนื้อนเนี่ยมันจะทำงานผิดปกติระหว่างข้อและเอ็นที่มันลอยต่อกันเนี่ยมันจะผลิตโมเลกุลหรือว่าสาร นิดหนึ่งที่เป็นหินปูนออกมาเรียกว่าหินปูนก็หมายถึงว่าความกระด้างความหยากเมื่อความโกรธเนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้นมันจะหลังเป็นน้ําออกมาก่อนเมื่อเป็นน้ําเสร็จมันก็ตกตะกอนเป็นหินปูนถ้าฝ่ายในกระเพาะก็หลังสารออกมามันจะมีความมีกฎ มีด่างออกมาทำให้บางผืชในกระเพาะเนี่ยเป็นแผลนี่คือความโกรธแผลทางกายปิดปกติแล้วมันก็เป็นแผลทางใจใจก็คือจิตใต้สำนึกมันนึกแล้วมันก็เสียใจแค้นใจเจ็บใจอารมณ์นั้นแปรปวนอยู่ตลอดเวลา ก็คือความโกรธความโลภก็คือความปรุงแต่งการปรุงแต่งบำรุงบำเรอก็คือความคิดฟุ้งซ่านนั่นเองคือความโลภความโกรธความโลภเนี่ยมันเป็นของคู่กันก็คือคนที่ถูกสมหวังกับผิดหวังนั่นเองผิดหวังก็เป็นต้องโกรธ สมหวังก็แหมรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสวเราะเบิกบานใจเห็นไหมเมื่อมันมีความรักมันก็มีความชังเกิดขึ้นมันเป็นโลกธรรมแปดอย่างความโกรธนี่มันมีโทษต่อร่างกายอย่างมหานในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเมื่อโกรธอะไรมากๆเนี่ย จะฝังจิตเห็นไหมจิตใต้ํานึกเนี่ยมันจะฝังเข้าไปเขาเรียกว่าป น, นึกลึกลงไปในจิตใต้สานึกจนเป็นสันดานเห็นไหมเป็นสันเป็นล้าเป็นสันนะมันมันคือความเจริญของความโกรธเนี่ยสันก็หมายถึงว่าสันหลังนั่นเอง คนโกรธเนี่ยมักจะคิดถึงย้อนหลังย้อนอดีตเห็นหมเรียกว่าสันหลังคนเราเนี่ยไม่เคยได้ยินคำว่าสันหลังไอ้คนเนี้ยมันขี้เกียจสันหลังยาวเห็นไหมมันก็เหมือนกับคนโกรธเช่นเดียวกันคนโกรธเนี่ยมันก็เหมือนกับมันตั้งมันแข็งมากหลังเราเนี่ยรองรับทุกอย่าง เพราะนั้นคนโกรธเนี่ยจึงมีอารมณ์ที่แปรปวนตลอดเวลาเมื่อมีความโลภเป็นสันดานใช่ไหตอนหลังก็โกดธเป็นอาจินความโลภนี่ก็คือความอยากได้ความอยากได้เนี่ยก็คือความรักนั่นเองเกิดจากความอนุเคราะห์บ้างเกิดจากความเมตตา ความเห็นหกเห็นใจก็คือความรักนั่นเองความรักก็แบ่งอีกมีทั้งเมตตาอันบริสุทธิ์กับเมตตาเพื่อได้เผื่อหวังก็คือกิเลสนั่นเองคนที่มีจิตใต้สานึกที่มีกิเลสทำอะไรก็หวังผลมีเมตตาให้อะไรเนี่ยก็วหวังว่าจะได้คืน เหมือนเราให้สิ่งของอะไรใครสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็หวังว่าคนนี้จะต้องดีกับเราเกิดเขาไม่ดีรู้สึกผิดหวังเห็นไหมพอผิดหวังมันก็เกิดความโกรธพยาบาทอาฆาแตแสดงว่าความรักกับความจังเนี่ยมันเป็นของคู่กันแสดงว่าความโลภกับความโกรธเนี่ยก็เป็นของคู่กัน ถ้าเรามีสติรู้ตัวเหมือ น, นในขณะนี้เนี่ยเรายิ้มเขวะมองเห็นใจตัวเองสว่างโอ้นาเรานี่มีบุญนักนาได้มาเป่งวาจาอันเป็นมงคลก็คือมุญของพระพุทธเจ้าปนะกติเราพูดคุยกันเนี่ยทั้งวี่ทั้งวันเนี่ย เป็นปากเป็นตาสับปะรดเลยทุกเรื่องรู้ไปหมดสงสัยไปหมดลังเลไปหมดปุยจนไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นอะไรกันแน่เหมือนเราเป็นคนบ้าขาดสติ เ, เรียกว่าเพอเจอร์นั่นเองการเพอเจอร์ก็คือ ก็เกิดมาจากความโลภความโกรธความหลงนั่นเองก็คือกิเลสถ้าเรามีสติแตม่ไม่มีปัญญามีสติแต่ไม่มีปัญญาเนี่ยนักปฏิบัติทั้งหลายมักจะวนอยู่ในกละมังวนกบอยู่ในกลาลความโกรธเนี่ยบางคนรู้ทุกเรื่องอ่านหนังสือมาเยอะ รวมทั้งหลวงพอ่อเนี่ยก็เคยโกรธเยอะแย ะ, ยะโกรธทุกเรื่องเมื่อโกรเสร็จก็ช่งเกลียดพยาบาทอาฆาตบางทีถึงก็ลงไม้ลงมือความรักบางทีมันก็รักจนทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ได้สมปัตนาปุ๊บมันก็จะเกิดความเกลียดชังเข้ามาโดยที่เรานั้นปรุงแต่งเห็นไหม เหมือนเรามีโรงครัวอยู่ในจิตได้สำนึกเลยมันปรุงแต่งทุกรดทุกชาติมีติมานะถือตัวถือตอนปนคะเขาวุ่นวายไปหมดเรียกว่าฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยนี่แหละมันเป็นบ่อเหตุแห่งความจิตภายก็คือความขาดสตินั่นเอง จดจำเนี่ยมันจำไม่ได้นึกไม่ออกเรียกว่าจำก็หมายถึงว่าสมองด้านซ้ายด้านขวา น, นี่มันมีจดจำกับความคิดเมื่อเราขาดสติสมองมันก็แปลสภาพเหมือนกับพึ่งคอมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมันผิดปกตินะมันก็แ ป, ปลปรน ขมูลกับเพี้ยนไปหมดนะมันไม่สถเยืนนะมันก็เหมือนกับชีวิตเราชีวิตเราในขนาดนี้เนี่ยเราไม่ต้องพูดจะหาโอกาสที่มาฟังธรทร ม, รรมก็คือการกระทาหรือธรรมชาตินั่นเองเรียกว่าสัจธรรม สัจจก์ก็คือคำพูดของหลวงพ่อในขณะนี้เนี่ยก็คือความจริงสัจจ์ก็คือความจริงวกก ค, ความจ ร, าจริงมันก็เกิดจากธรรมก็คือธรรมชาตินั่นเองทำไมเรารู้จากเรียนรู้ธรรมชาติแต่เราไม่มีสติหลวงพอ่อจะเน้นสติสติคือความรู้ตัวรู้ตัวเลยว่า สิ่งที่เราเศร้าหมองใจเนี่ยทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่มีความสุขเกิดทุกข์เกิดโรคเกิดภัยเนี่ยเพราะความโกรนั่นเองความโกรธเนี่ยกินยาอะไรก็ไม่หายพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความโกรธก็ต้องเอาตัวเมตตามาตัดเมตตาก็คือความสงสารนั้นเอง ตัวรักเนี่ยเอาตัวสงสารก่อนเมตตาแปลว่าความรักแต่เอาตัวสงสารเข้ามาประกบตัวเมตตาก่อนเมตตาตัวเนี้ยแปลว่าสงสารเรามวมจะสงสารสัตว์เออสงสารคนนั้นคนนี้ทําไมไม่สงสารกายเราบ้างนะไอ้กายเราเนี่ยอสุรกายเนี่ย ก็แปลว่าดีนะกายเราเนี่ยพยายามผลิตสิ่งที่ชั่วยอยา่างก็คือความโกรธเมื่อความโกรธเนี่ยเราแสวงหามันอยู่ตลอดเวลาร่างกายเราเนี่ยก็จะซุดซมไวแก่ไวชราไวมันเหมือนกับคนที่อารมณ์ดีมีความรักมีเมตตาก็คือคนที่มีจิตใจที่ดี ว่าอารมณ์ดีคนที่โกรธเนี่ยก่อนตายเนี่ยแต่ทุกข เ, เวทนาต่อสังขารมากกระดูกก็ผุนะปันก็ผุตาก็มัวหมองหูก็ไม่ค่อยได้ยินจมูกก็ไม่ค่อยได้รับกลิ่นปากคอนี่ย ก, กินอะไรไม่ค่อยได้คนนี้โกรธเนี่ยมันจะมีผลหมด ร่างกายผิวนี่จะแห้งเกรียมในขณะที่ตายเนี่ยไม่ได้โกรธแต่จิตใต้สํานึกของท่านทั้งหลายเนี่ยมันจะเข้าไปในภาวะนยเขาเรียกตกผวังนั่นเองในภาวะที่เรามีจิตใต้สานึกที่ผ่านมาเพราะเวลาโกรธเนี่ยมันก็มนไม่ได้จิตใต้สํานึกนะ เราจะนึกถึงความดีไม่ได้นะแม้จะนึกถึงความดีก็ความความไม่ดีเนี่ยจิตนึกสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจะมาลบล้างไปเมื่อลบรางลงไปแล้วเนี่ยมันก็วัดกันระหว่างดีกับชั่วเนี่ยเราทำคะแนนไหนเนี่ยมากกว่ากันแต่ถ้าเรามีเมตตา ในการอยู่ภาวนาในขณะนี้เนี่ยเห็นไหมปวดมันก็ไม่ปวดเมื่อยมันก็ไม่เมื่อยหิวมันก็ไม่หิวตะเกียดใครก็ไม่รู้จะเกียดตอนไหนตอนนี้นึกไม่ออกเพราะเรามีสติรู้ตัวอยู่เพื่อเรารู้ตัวเนี่ยจิตใจจำนึกที่ดีเนี่ยมันมากกว่าโกรธเราก็รู้สึกว่ามันสบายใจ พอเราสบายใจปุ๊บเนี่ยอีกกายเนี่ยกายกรรมที่มันนั่งด้อยอยู่เนี่ยมันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเนี่ยมันเกิดแปรปลวนเลยมันเคยหัวใจเคยเต้นตามสภาพของหูตาจมูกลิ้นกายใจเดยกวันนี้วร์ทั้งห้าที่มันสัมผัสรู้เห็ น, นได้ยินเนี่ย ใจเราก็จะเต้นเป็นจังหวะที่เคยชินนะทานแปลว่าชินนะชินต่อสภาวะของกิเลสนะกิเลส ก, ก็คือความโรคความโกรธความหลงในร่างกายเราไม่ชินต่อสติสติคือความรู้ตัวเหมือนในขณะนี้เนี่ยก็ เ, เลยรู้สึกคันบ้างเมื่อยบ้างหนักบ้างเหมือนนั่งแล้วเหมือนจะหงายท้องจะลอยบ้าง เอนบัง่งเอียงบ้างเดี๋ยวร้อนหูบว่ามเดี๋ยวขนลุกขนพองแสดงว่าเลือดลมเราเนี่ยในร่างกายเนี่ยมันเคยแปรปรวนมันไม่เคยมีสติรู้ตัวเหมือนในขณะนี้ที่หลวงพ่อกำลังพูดให้ฟังอยู่เพราะเราเป็นคนที่ไม่รู้มาก่อนกว่าจะรู้ซิ มันเกิดความลังเลแหละเห็นไหมมาก่อนนี้เราจะรู้เรื่องอะไรมาเนี่ยก็สงสัยว่ามันจะเป็นยังไงมันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ในขณะที่เรารู้ในปัจจุบันเนี่ยก็คือรู้ด้วยสติสติคือความรู้ตัวพอ โ, โอ๋นาานิ่งเป็นหลับขยับเป็นแดกคขนิ่งปุ๊บเราเหมือนจะหลับเลย จิตที่มันเคยฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยร่างกายเราจิตเราเราเคยใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันพอนิ่งปุ๊บไม่คิดไม่ฟุ้งซ่านปุ๊บง่วงเลยเป็นอาการที่เราเคยชินคุณโยมเป็นอาการที่เราคอยยุกยิกเกาโน่นเกาหนี่ขยับนั่นขยับนี่พอจิตเราบริสุทธิ์พอจิตเราเนี่ยไม่ฟุ้งซ่าน ามเนื้อมันตายหมดเลยเห็นไหมกล้ามเนื้อหัวใจที่มันเคยเต้นไวมั่งทีบ้างเดี๋ยวโกรดเดี๋ยวหัวเลาะเดี๋ยวร้อไงไห้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายหมดเลยกล้ามเนื้อหัวใจนี่มันเต้นถูกกำหนดให้เท่ากันก็คือลมหายใจเข้าพุทธทออกเหมือนหัวใจเราเนี่ยผ่อนคลาย อหัวใจเราผ่อนคลายปุบเนี่ยพอามันนิ่งสบายปุ๊บเราจะเผลอหลับเรียกขาดสติและถ้าเราชินต่อนิ่งแล้วหลับเลยเพราะ น, น, นักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนว่าไอ ห, หัวใจก็คือจิตเรานี่แหละพอร่างกายเราเนี่ยได้รับความผ่อนคลายจาก การตึงเครียดของอารมณ์อารมณ์ก็คือจิตใต้สำนึกพลมตัวนี้เนี่ย <c oughs> มันก็เกิดจากการนึกคิดปรุงแต่งจากหูตาจมูกลิ้นกายใจนั่นเองเ อ, อิดตามองเห็นก็ปรุงแต่งในความคิดหูได้ยินก็รู้สึกปรุงแต่งตามความคิดตามเสียงร่างกายร้อนหนาวเนี่ยเราก็อิ่หวหอย เดินเตะนั่นชนนี่เหยียบนี่เราจะคิดตามที่เรามาสัมผัสทางกายเราทางหูทางตาเราแต่ในขณะนี้เนี่ย เ, เราไม่สัมผัสกับอะไรเลยเรารู้สึกนิ่งอุเบกขาบาลามีเฉยแต่เรามีสติรู้ตัวว่าเรากำลังภาวนาอยู่ เื่อจิตใ้สำเนึกเราเนี่ยผ่อนคลายหัวใจก็เต็นสม่ำเสมอร่างกายเราไม่เคยสงบไม่เคยเต้นที่เป็นจังหวะรู้ตัวมาก่อนในขณะนี้เนี่ยรู้สึกเบาสบายทังใจนะทั้งจิตใจสำเนึกเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ลังเลสงสยัยมันไม่มีความโกรธไม่มีความโลภ ไม่มีความหลงว่าเรานั้นหลงอยู่สิ่งนั้นสิ่งนี้บ้านผัวเมียรถรางแก้วแหวนเงินทองไม่มีในจิตใจจำนึกในสันดานเราเลยในขณะ น, นี้แต่รู้สึกผ่อนคลายเหมือนเราขายกล้ามเนื้อขายทุกส่วนสัตว์ในร่างกายเรียกว่าขายความร้อนออกไป ความร้อนตัวนี้ก็คือความเร่าร้อนในจิตใต้สํานึกก็คือใจเมื่อใจความเร่าร้อนเขาเรียกว่าร้อนใจนั่นเองไปกับเย็นสบายในขณะนี้แต่ไอ้ร่างกายมันรู้สึกปุกบวบวิ ว, วิว <c oughs> เบาเบาวง์โ <c oughs> เราอย่าไปสนใจมัน พยายามนึกถึงจิตใต้สำนึกก็คือสตินั่นเองยิ้มเขวะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทยิ้มให่กับตัวเองเมื่อร่างกายเราผ่อนคลายปุ๊บสติมาเลยสติก็คือความรู้ตัวรู้อาการที่เป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมันผ่อนคลายความความโกดลงไปแล้ว ในขณะที่เราผ่อนคลายความโกรธเนี่ยอาการขัดสีเบียดเสียดของจิตใตจจำนึกที่กดดันตัวเองรวมทั้งกระดูกและกล้ามเนื้อที่เราจะต้องเดินต้องกินต้องกัดต้องเคี้ยวต้องทํางานทุกอย่าง <c oughs> กดดันทุกอย่างเนี่ยมันคลายออกเนี่ยเมื่อคลายออกก็คือความคิดก่อนในปัจจุบันเนี่ย <c oughs> เราคิด สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยรู้สึกมันผ่อนคลายออกไปก็คือความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยนั่นเองพยายามฟังหลวงพ่อแล้วก็นึกถึงตัวเอง ว, ว่าโอน้อกันดู ก, ก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อเอ็นทั้งหลายหัวใจที่เคยเต้นผิดจังหวะเต้นเบาบ้างสั้นบางยาวบ้างเป็นในปัจจุบันเนี่ยพอเรารู้สึกเต้นถูกจังหวะเข้า สังขารเราเริ่มห้อยแหละนะเป็นชีบังโอก็เริ่มห้อยลงมาพรนะะบางรูปก็รู้สึกนั่งแล้วดูเหมือนไม่สนัดนะแต่จริงๆมันสนัดแต่ว่าไอ้ส่วนสัตว์ของร่างกายที่มันเคยสุกสนที่มันเคยปิดนึกแล้วก็เต้น เซลล์กล้ามเนื้อกระแสไฟฟ้าทุกอย่างเนี่ยที่มันทำงานหนักมามากแล้วตอนนี้มันผ่อนคลายแต่ทำตัวตรงครับวยิมตัวยิ้มนี่ก็คือตัวเมตตาตั ด, ต, ดตัดความเล่าร้อนของความโกรธเมื่อเรายิ้มเนี่ยจิตใจเราก็ที่เคยกระด้างแข็งเนี่ยมันก็รู้สึกผ่อนคลายนะ จากที่เราเคยรู้สึกว่ามันเราร้อนใจเนี่ยใจเรารู้สึกเย็นเหมือนในขณะนี้เหมือนร่างกายเรารู้สึกว่าชาตายมือปลายเท้ามือเหมือนกับเหงื่อซึมซึมตัวก็เหมือนกับมีเหงื่อซึมซึมออกเหมือนไอร้อนมันออกจากตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าไฟนรก ลบก็หมายถึงจิตที่มันฟุ้งซ่านนั่นเองที่เราไม่รู้ตัวรู้ตนว่าเราเป็นคนหรือสัตว์กันแน่เราเป็นคนดีหรือคนบ้ากันแน่วันนี้เรามาฝึกสติสติคกอความรู้ตัวจะได้รู้ตัวรู้ตนนะเมื่อความร้อนในระหว่างกล้ามเนื้เอเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าเนี่ย ทำเนื้อที่มันเก่งแข็งแน่นมันเริ่มผ่อนคลายออกมาเพราะคันผ่อนคลายปุ๊บไอ้น้ําเนี่ยที่เป็นออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยมันแทรกเข้าไปในกล้ามเนื้อเห็นมันมีหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาเต็มร้อยเลยและเชื่อได้ด้วยร่างกายเราเนี่ยมีออกซิเจนผ่านกระแสเลือด ไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายแต่ความโกรธเนี่ยมันทำให้ออกซิเจนเนี่ยมันขาดไปความที่เป็นกล้ามเนื้อเลือดลมที่มันเดินอยู่ในร่างกายเนี่ยมันไม่ชุ่มฉ่าผิวพันุ์มันก็ไม่ชุ่มฉ่ำบางที่เหมือนกับในโลกเนี้ย มันขาดน้ำบางที่ก็มีน้ำบางที่มันก็ชื้นบางที่มันก็แห้งแลงแต่ในขณะนี้เนี่ยฝนมันกำลังตกอยู่ในร่างกายเราไมตกอยู่ในใจเรียกว่าไม่ตกใจแต่ฝนฝนมันตกธรรมชาติมันเกิดสมบูรณ์เรียกว่าสติมันสมบูรณ์นั่นเอง พอสติมันสมบูรณ์ในร่างกายเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติทำมันก็เกิดขึ้นเพราะเราฉลาดขึ้นเริ่มรู้จักที่หลวงพ่ออธิบายเนี่ยมากขึ้นพอเรารู้ปุ๊บกำลังใจเรามาเลยเรารู้สึกเลยว่าอืมจริงเนาะร่างกายเราปกติแล้วมันตึงเมื่อยปวดไปหมด ในขณะนี้เราสบายใจมากเดี๋ยวพอถอนสมาธิร่างกายจะเป่งปังนิ่มผิวพันธุ์จะลื่นนุ่มสบายเหมือนเด็กๆ เ, เนี่ยผิวมันอ่อนนุ่มเนื้อละเอียดจับแลเย็นหน้าอุ้มหน้ากอดหน้าหอมเราลองหอมตัวลราเดียวเหม็นตายหาเลยเพราะว่าออกซิเจนมัน ธรรมชาติมันผิดปกติคือร่างกายผิดปกติคำว่าร่างกายผิดปกติก็คือจิตใต้สํานึกเราเนี่ยมันผิดปกติมันไม่ใช่มนุษย์สมบัติมันเป็นการปรุงแต่งโดยเป็นคนบ้าเนี่ยเป็นคนบ้ายิ้มเข้าไว้อยู่ในองค์ภาวนาเข้าไว้กําลังจะได้ถหนสมาธิแล้ว ดีห น, น่อยหลวงพอ่อก็ชวนเลิกเนนะีพอเมืออ่อยปวดเวทนาทุกมากหลวงพอ่อก็นั่งเทศมนอยู่นี่นะแหละเพราะนั้นฝืนเรียกว่าฝืนตื่นความรู้สึกเหมือนเราก็ฝืนสติที่มันกำลังฟุ้งซ่านอยู่ตื่นร่างกายแต่ในขณะนี้เรามาฝึกสติตื่นความรู้สึกที่มันเคยชิน รอนที่มันเคยกินด้วยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยไอ้มีความรู้ตัวเหมือนในขณะนี้เนี่ยเหมือนได้ขึ้นสวรรค์นะทุก็ไม่ทุกโกรธก็ไม่โกรธอยากได้อะไรก็ไม่นึกไม่ออกในขณะนี้ทาใจรู้สึกเลยว่าส บ, บายยิ้มเข้าไวโกรธโกรธถึงที่สุด มันก็ไม่รู้ว่ามันตรงไหนเกลียดถึงที่สุดก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราเกลียดอะไรถึงที่สุดเกลียดตัวเองดีกว่าเกลียดตัวเองรักตัวเองรักก็คือยิ้มเข้าไว้มีเมตตาทางใจไอจะให้หรือไม่ให้ไอจะพูดด้วยหรือไม่พูดไอจะยิ้มหรือไม่ยิม้ม ไปจะทําอะไรเราก็ไม่สนใจูุ้โมงขาวางเฉยยิ้มจับไว้ที่ใจอารมณ์ยิ้มตลอดเวลาร่างกายก็ผ่องใสไปเรื่อยๆร่างกายก็ผ่อนคลายความร้อนที่มันร้อนจิตร้อนใจเรียกว่าไฟเนี่ยมันเผาอกเผานรกนะเขาเรียกว่าสวรรค์อยู่ที่อกนรกอยู่ที่ใจ ความเลาร้อนของกิเลสความทุนหลนทุ่นลายเพราะความอยากได้ก็คือความโกรดนี่แหละความโรบนี่แหละความหลงเนี่ยยังไม่พูดถึงนะหลงก็หมายถึงว่าละเมอเพ้อพพขาดสติเมื่อเรามีสติมีปัญญาเนี่ยดับความโกรธไปโกรธแล้วไปเกียจแล้ว เคยรักเราก็รู้สึกว่ารักตัวเองขึ้นไปเคยมองตัวเองเราก็รู้สึกปีติรู้แล้วก็มองใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นเรจะรู้สึกว่าความวุ่นวายความลังเลสงสัยเนี่ยหมดไปพอร่างกายจิตใจผ่อนคลายปุ๊บสติมาเลยสติคือความรู้ตัว เมื่อสติมาปัญญาเกิดว่าอ๋ออะไรที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้ที่เราไปรู้ปลายเหตุแล้วก็แก้ที่ปลายเหตุต้นเหตุจริงๆเราไม่รู้มันก็เลยเกิดเหตุเมื่อมันเกิดแล้วมันก็ต้องฟุ้งซ่านแก้ไขแต่ถ้าเรามีสติรู้มันไม่เกิดเนี่ยมันก็ดีกว่าเกิดนะ ค่อยหายใจให้เป็นปกติเซิฟซิฟเอาน้อยๆนะอย่าเอามากเดี๋ยวจะขังมากกว่านี้ราตีต่อไปก็จะค่อยๆพูดถึงความหลงนะค่อยๆถอนสมาธนะิอย่าไปยึดติดมันนะแล้วค่อยๆอย่าไปคิดอย่างอื่นค่อยๆถอนแล้วก็มองตัวเองเขาไว้ จับอาการรู้เห็นความรู้สึกของตัวเองไว้ถอนสิค่อยๆถ อ, อนอย่าหลับตาอย่าเคิบเคิมอย่าเพิ้นฟังหลวงพ่อและปฏิบัติตามแมวขังไม่ยอมลืมตาอื <c oughs> ตอนทีก่กูให้มึงหลับไม่ค่อยจะหลับนะคุยกันครึ่งคืนค่อนคืน <c oughs> แต่ตอนนี้หนไหมมันรู้สึกห <c oughs> ัวมันโล่งนะ กายรู้สึกมือเนี่เหนียวเลยลองขยํา ม, มือดูสิเป็นยางเหนียวเหนียวไหมเนื้อออกตอนนี้หน้าฟ่องใสเลยไม่ต้องทำเบบี้เฟสเลยาไม่ต้องไปนวด3ามอย่างสี่อย่างไม่ต้องไปอาบน้ำนมดื่มน้ำแร่แช่น้ำกระชายไม่ไหวหรอกนี่หมดนเหนียว